ทีนี้ก็เข้ามาสู่ในปาราปริยะเทระคาถาในคำพีเทระคาถาเนี่ยนะคุตการนิกายเทระคาถามีอยู่นะเอกสารที่เคยแจกไปนั่นแหละในหน้า463ข้อความในปาราปริยะเทระคาถาเนี่ยนะถ้าอ่านข้อความในอัตตกถาก่อน เรื่องราวโดยลำดับของท่านมีอยู่ว่าพระเถระแม้นี้ท่านก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายอย่าลืมว่าผู้ที่จะตรัสรู้บรรลุมรรคผล น, ผนิพพานคนนั้นจะต้องทำบุญกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเอาไว้แล้วอย่างน้อยที่สุดต้องทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะจึงจักเป็นเหตุให้ ไ, ได้บรรลุมรรคผล เพราะฉะนั้นท่านองค์นี้ก็ได้สั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพันิพานคําว่ากุศลที่เป็นอุปนิสัยแห่งพันิพานก็คือให้ทานเป็นต้นนะให้ทานหรือรักษาศีลรักษาอุโบสถแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุอริยสัจธรรมนิพานนี้เป็นอริยสัจไหมเป็นนะนิพานนี้เป็นนิโรธอริยสัจ เพราะฉะนั้นก็คือตั้งเป้าหมายเนี่ยนะให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถกรรมฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุอริยสัจนั่นเองคือถ้าใช้คําว่านิพพานโดดๆคนยุคนี้เข้าใจผิดซะส่วนใหญ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นาการที่จะแทงตลอดพระนิพพานก็คือการแทงตลอดอริยสัจเพราะฉะนั้นตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดอริยสัจเอาไว้แล้วตั้งแต่พระทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน แล้วก็ไว้ในพบนั้นนั้นท่านก็ท่องเที่ยวไปเฉพาะในสุขติเท่านั้นในพุทธุบาทการนี้บังเกิดเป็นบุตรของพรามมหาศารคนหนึ่งคำว่ามหาสารนี่แปลว่าร่ำรวยมากเนี่ยนะคือไม่ใช่ธรรมดานะก็เป็นพราม์ที่ร่ารวยมากในกรงสาวถีเมื่อเขาเจริญวัยได้มีชื่อว่าปาราปริยะตามโคตเขาเรียนตรายเพศถึงความสาเร็จในศิลปะทั้งหลายของพราม แสดงนับว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากถึงกับทรงไตรเพศได้นี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่หาง่ายแม้แต่ในยุคนั้นก็ตามวันหนึ่งในเวลาพระศาสดาทรงแสดงธรรมได้ไปยังพระวิหารเชตวันแล้วนั่งอยู่ท้ายบริสัทพระศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของเขาแล้วแสดงอินตริยะภาวนาสูตรเนนะพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญอินทรีย์ เจริญอินทรีย์ก็คือเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานั่นเองเขาได้ฟังแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็บวชเรียนเอาพระสูตรนั้นแล้วก็คิดเนืองๆถึงเนื้อความแห่งพระสูตรนั้นก็บอกว่าเนื้อความในพระสูตรที่ว่าจะมีแจ้งในในคาถาที่ท่านจะกล่าวต่อไปก็เนื้อความนี้ท่านทรงจําไว้เนี่ยนะโดยประการที่ท่านคิดอยู่เนืองๆ มีปกติจำสูตรนี้แล้วเอาสูตรนี้มาเพ่งมาสาธยายบ่อยๆว่างั้นเถะถามว่าบ่อยขนาดไหนก็คือก็เหมือนกับพวกที่เรียนเวทมนต์คาถ า, ามานะเขาจะสาธยายของเขาบ่อยมากเขากลัวเขาจะแค่อันนี้เป็นเครื่องคุ้มกันภัยของเขาอะ่ะนี้ก็เหมือนกันพระสูตรสูตรนี้เนี่ยที่เขาได้ยินได้ฟังได้ทรงจำมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสูตรนี้ทําให้เขาพ้นจากวัตรทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นเขาจึงสาธยายเขาจึงแพ่งทุกพยันชนะในสูตรเหล่านั้นน่ยท่านจะไม่มีผ่านแม้แต่คําเดียวเพราะเชื่อว่านี้คือสวาขาโตภควะตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นไปเพื่ออริยมรรคแล้วก็เป็นไปเพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเอามาตรึกเอามาคิดถือว่าเป็นสาระของท่าน ทีนี้เมื่อท่านคิดค้นอยู่โดยประการนั้นจึงเริ่มตั้งวิปัสสนาโดยเอาอายตนะเป็นประธานไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เอาอายตนะเป็นหลักในการพิจารณาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดอยากจะปฏิบัติภาวนาเจริญวิปัสสนาตามอายตนะนะสนใจไ้ยจะบอกให้เอ า, เอา ไปอ่านสลายยตนาวักสังยุตติกายทั้งวรกเลยสังยุตติกายสลายยตนาวักนะมีสองเล่มเองสองเล่มเล่มขนาดนี้สองเล่มเนื้อหาจะคล้ายคลึงกันมากต่างกันนิดนหน่อยหเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเจริญวิปัสนาเกี่ยวกับเรื่องอายตนะตรงๆเลยนะว่าพิจารณาตาเนี่ยตาอย่างเดียวพิจารณากี่วิธีอ่านได้สลายยตนาวักเล่ม28เล่ม29ฉบับ 91% เเล่ม มีสองเล่มเนี่ยนะเล่สี่สิบห้าเล่มอ่าถ้าจำไม่ผิดนะประมาณสิบแปดเล่มสิบแปดเล่มสิบแปดนะฉบับสี่สิบห้าเล่มเพราะะในในสูตรเนี่ยนะมีวิธีการเจริญอายตนะ การพิจารณาเรื่องอายตนะเนี่ยดีมากยกตัวอย่างเช่นเอาจากขู่ลงเหตุเกิดลงความดับสงข้อโดยอาสาทาอาทีนวะนิสรณะเป็นต้นนั่นเองเห็นไหมสามารถส่งข้อธรรมะเหล่านี้เนี่ยเอาจากขูลงอริยสัจได้จากขู่จากขู่สมุทัยจากขูนิโรธจากขู่นิโรธถ้าคามินีปฏิปทาจากขูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเป็นแปรปรวนเป็นธรรมดาจากขู่เป็นของร้อนอะไรเงี้ยนะก็ จักขูเป็นของมืดจักขูเป็นมารจักขูเป็นผู้ทาให้ตายจักขูเป็นสังคตะธรรมเป็นของที่มีความเกิดขึ้นเป็นของที่มีความเสื่อมไปเนี่นะเป็นขยะธรรมเป็นนิโรธธรรมเนี่นะเป็นของที่เกิดขึ้นเป็นของที่มีความดับไปอย่างอันถ้าหากว่าผู้ต้องการหารายละเอียดก็ดูได้จากสลายตนวัครสังยุตติการฝัน สูตรเหล่านั้นนเนี่ย น, น, นะอ่านเนี่ยบางท่านที่ตั้งจิตไว้ไม่ดีโอ้พระพุทธเจ้าแสดงทำอะไรซ้ําๆอยู่นั่นแหละนั่นนะที่จริงแล้วพระองค์นีจะตรวจดูอัธยาศัยของผู้ฝังก่อนอในกลุ่มนี้เนี่ยพระองค์ก็จะแสดงแบบนี้พออีกกลุ่มอื่นพระองค์ก็แสดงอื่นเพะกลุ่มใหม่ก็แสดงคล้ายๆ ก, กันกับกลุ่มเดิมแต่คนละประเทศคนละที่ทีนี้ท่านพระ อ, อนนท์เป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มพระมหากระสปะ ท่านเห็นว่าเพื่อสะดวกต่อการศึกษาท่านเรียบเรียงมาไว้ใกล้ๆกันหมดเลยเราก็เลยนึกว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าอยู่ที่เดียวแสดงอะไรซ้าๆๆๆกันที่จริงอยู่คนละบ้านคนละเมืองคนละประเทศเลยนะแสดงไว้คนละพรรษาด้วยซ้ำไปเรื่องแรกแสดงตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะแสดงตั้งแต่ปีแรกที่พระองค์ตรัสรู้บางสูตรเนี่ยแสดงใกล้จะนิพพานแล้วอย่างเงี้ยนะห่างกัน40ปี30ปีเนี่ยนะ แต่ว่าพระอนนท์พระกรมพระหมหากัสสปะเป็นต้นท่านจำแม่น่ะท่านก็เลยอะไรที่คล้ายคลึงกันเนี่ยเพื่อสะดวกต่อการศึกษาท่านก็มาเรียงให้เราเราก็ในโอ้พระพุทธเจ้าพูดซ้ำๆมาเงั <c oughs> ท้ทีนี้ข้อความในคาถานี้เนี่ยนะมีอยู่ว่าภิกษุชื่อว่าปาราปริยะเป็นสมณะนั่งอยู่แต่ลำพังผู้เดียวมีจิตสงบ เพ่งฌานเข้าตัวนั้นก็คือเพ่งฌานอยู่ได้มีความคิดว่า น, นะคำว่าภิกษุนี่หมายคำว่าอย่างไรนะอาทีละคเํเลยมานั่งใครควรกันอันคำว่าภิกษุในที่นี้ก็คือผู้เห็นภายในสงสารนะคำว่าภิกษุเนี่ยนะ ทีนี้ภิกษุชื่อว่าปาราปริยะเนี่ยท่านรูปนี้เป็นผู้มีปกติเห็นภายในสังสาระเห็นภายในขันเห็นภายในธาตุเห็นภายในอายตนะบา ง, งั้นจะนะนะของเราเคยคิดไหมเออขันธานี่มันเป็นภยนัยนะอายตนะก็เป็นภยัยธาตุก็เป็นภยัยเนี่ยนะถามว่าทำไมสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นภยัยเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ย ตัวของเขาเองเนี่ยไม่มีความเที่ยง น, ยนะนะไม่มีความสุขอยู่ในนั้นเลยเพราะนั้นท่านจึงเห็นภัยในขันธาตุอายตนะเหล่านั้นเป็นสมณะคำว่าสมณะกับบานประชิตนี่ก็อันเดียวกันนั่งอยู่ลำพังแต่เพียงผู้เดียวนี่ก็แสดงถึงความที่ท่านนั้นเป็นผู้มีกายวิเวกวิสุทธิมรรคของเราเนี่ยนะอธิศีลเนี่ยเป็นวิเวกสามเนี่ยเป็นอธิศีลและศิคนะก็บอกว่า อธิจิตตสิกานี้ก็เรียกว่าจิตวิเวกอธิปัญญาสิกขาก็คืออุปธิวิเวกเนะเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็สงเคราะห์ลงวิเวกสท่านบอกว่านั่งอยู่ลำพังแต่เพียงผู้เดียวก็คือบ่งถึงกายวิเวก น, นะก็เป็นไปกับกุศลศีลนั่นเองมีจิตสงบนะจิตสงบนี่อะไรวิเวกเอ่ะนะมีจิตวิเวก นะอธิศีนอธิจิตแล้วก็เพ่งฌานอยู่เพ่งฌานเนี่ยนะฌานนี่มี2องอย่างคื อ, อลัคนูปนิสชานและอารัมณมูปนิสชานเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการตรงนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาเนี่ยนะท่านนั้นได้มีความคิดคำว่าความคิดคือการพิจารณาธรรมะ คิดในที่นี้ไม่ใช่คิดไปเรื่อยนะแต่คิดไปตามคำสอนใช่ไหมที่บอกว่าคิดตามสูตรที่ท่านเคยเรียนมาเคยฟังมาท่านก็ตรึกไปตามนั้นแหละทีนี้ท่านก็คิดแล้วตั้งเป็นคำถามขึ้นว่าคนพึงทำอะไรโดยลำดับประพฤติวัดอย่างไรประพฤติมารยาทเห็นไหมคืออสมาจารย์อย่างไร จึงเชื่อว่าพึงทากิจของตนและไม่เบียดเบียนใครๆก็นเขาบอกว่าคำว่าทำอะไรตามลำดับเนี่ยคือทุกอย่างในโลกนี้ก็จะต้องมีลำดับใช่ไหมในการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าในที่นี้ท่านเน้นไปที่สิกขาโดยลำดับนั่นเอง ทำยังไงจึงจะเป็นอธิสีและสิกขาอาธิจิตตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาเป็นต้นเนี่ยโดยลําดับนันและและท่านก็กล่าวว่าประพฤติวัดอย่างไรคําว่าวัดนั้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องสมท า, านขึ้นคําว่าประพฤติวัดในที่นี้หมายถึงจารีตศีล น, นั่นเองที่บอกว่าพึงประพฤติวัดอย่างไรหมายถึงจารีตศีล ประพฤติมญญารยาทมารยาทคือสมมาจารคําว่าสมาจาร์นี่เป็นชื่อของศีลสมมาจาร์เบทว่าปุริโสกิงวตังกิงสมาจารังความว่าบุรุษผู้ใคร่ประโยชน์พึงประพฤติศีลสมมาจาร์เช่นไรซึ่งได้นามว่าวัดเพราะพึงสมท า, านชื่อว่าพึงเป็นผู้กระทํากิจของตนคือพึงเป็นผู้มักทํากิจ ที่ควรทําและไม่พึงเบียดเบียนคือไม่พึงทําสัตว์ไร่ไรให้ลําบากสมณธรรมนี้ชื่อว่ากิจของตนคําว่ากิจของตัวนะคือหมายความว่างานของตัวเองจริงๆอะ่ะก็คือการประพฤติสมณธรรมโดยย่อได้แก่ศีล ส, สมาธิและปัญญาอันนี้คือว่าชื่อว่ากิจของตัวเองจริงๆเลยนะที่เหลื อ, อ น, นี่กิจของคนอื่นทั้งนั้นเลยนะ แต่ถ้ากิจของเราจริงๆก็ได้แก่อธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเมื่อบุคคลบำเพ็ญสมณะธรรมแม้แต่เล่์ในการเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่มีนะถ้าอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาจริงๆเนี่ย น, นะเล่์ที่จะเบียดเบียนคิดประทุสร้ายผู้อื่นจริงๆจักไม่มีเลยเพราะเมื่อมีการเบียดเบียนผู้อื่นความเป็นสมณะก็มีไม่ได้ สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ฆ่าสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรปะชิตผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณนะดังนี้ก็ในที่นี้วารีตศีลด้วยวะตะศัพนะคําวัดนะนะหมายถึงวารีศีลถือเอาฌานและวิปัสสนาเป็นต้นพร้อมกับจารีตศีลด้วยสมาจารศัพ์คําว่าประพฤติมัน ญ, ญาตมัน ญ, ญาตในที่นี้เนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าโอ้ยการขยับขยื่นเคลื่อนไหวขยับกายกิริยาเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่นะแต่หมายถึงฌานวิปัสสนาและจารีตศีลเนี่ยนะนี่เขาเรียกว่ามารยาทมารยาทเนี่ยนะฌานนี่ก็เป็นมารยาทอย่างหนึ่งวิปัสสนาก็เป็นมารยาทเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็จารีตศีลเป็นศีลที่จะประพฤติปฏิบัติขึ้นอันนี้ก็เรียกว่า มันญาติเหมือนกันเจน ร, นริญพรบาลีว่าสมาจาระนะเพราะฉะนั้นชื่อว่าทํากิจของตนคนพึงทําอะไรโดยลําดับประพฤติวัดอย่างไรประพฤติมารญาติอย่างไรชื่อว่ากิจของตนเพราะฉะนั้นคําว่าวัดกับมานญาติเนี่ยนะอมความคือไตรสิกขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ประพฤติแบบนี้นี่แหละนะประพฤติวัดประพฤติมานญาติคือ ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะโดยเรียกชื่อโย่อๆว่าวัดและมานยานอย่างนี้แหละจึงจะชื่อว่าธรรมกิจของตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครๆไม่ทำให้ใครๆลำบากคือสรุปแล้วคือสรุปแล้วข้อความตรงนี้หมายความว่าก็เป็นเรื่องของการอา เป็นเรื่องของขใใขอสิกขาในไตรสิกขาเจนิ่พรอธิศีลสสิกขาอธิจิตตสิกขากและมมลอธิปัญญาสิกขานั่นเองเนี่ยนะในข้อ727ยิเนี่ยนะกขาสามเลยนะร 3, นยนะสรุปสรุปไปแล้วนั่นเองทีนี้ท่านก็กล่าวต่อไปว่าแมในข้อนั้นเพราะเหตุที่เมื่ออินทรีสังวรสำเร็จศีลทั้งปวงจึงเป็นอันรักษาดีแล้วคุ้มครองดีแล้ว ฉะนั้นพระเถระประสงค์จะแสดงอินทรีย์สังวรก่อนเมื่อจะประกาศในโทษการไม่รักษาอินทรีย์และอณิสง์ในการรักอินทรีย์จึงกล่าวอณิสง์ในการรักษาอินทรีย์จึงกล่าวคําว่าอินทรีย์ทั้งหลายนั่นแหละย่อมมีไว้เพื่อประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์สําหรับมวลมนุษย์อินทรีย์ที่ไม่ได้ระวังรักษาย่อมเป็นไปเพื่อม่ใช่ประโยชน์ ส่วนอินทรีย์ที่ระวังรักษาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เนะถ้าหากว่าอนินทรีย์สังวรได้ศีลที่กล่าวไปแล้วเป็นต้นก็จะรักษาได้ถ้ารักษาอินทรีย์สังวรไม่ได้ศีลเป็นต้นก็รักษาไม่ได้เนะเพราะว่าไอ้มนินทรีย์เนี่ยนะถ้าหากว่ามนินทรีย์เป็นอากุศลเนี่ยนะถ้าล่วงมาทางกายกรรมวิจีกรรมเนี่ยอันนั้นเป็นความทุศีล แล้วในขณะนั้นชื่อว่าไม่มีสติไม่มีสติสังวรไม่มีญาณะสังวรวิริยะสังวรขันติสังวรไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นอาการรักษาอินทรีย์เนี่ยนะถ้าหากว่าบุคคลมีการรักษาอินทรีย์แล้วศีลทั้งหมดก็จะเป็นอันคุ้มครองรักษาท่านก็เลยให้ความสําคัญเนี่ยนะว่าอินทรีย์เนี่ยนะย่อมมีไว้เพื่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สําหรับมวลมนุษย์เหมือนกันเถอะ เขาบอกว่าก็อินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยนะย่อมมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์อย่างไรพระเถระก็เลยกล่าวคําว่าในคํานั้นมีอธิบายว่าอินทรีย hmm. ์ทั้งหลายมีจกักษุเป็นต้นบุคคลใดไม่ปิดประตูด้วยสติย่อมเป็นไปเพื่อความเชีพหายแก่บุคคล น, นั้นคือใครที่ไม่ตั้งสติไว้ก่อนที่จะเห็นที่จะได้ยินที่จะรู้กลิ่นที่จะรับรู้รส ที่รับกระทบโพตาภาหรือที่จะนึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งสติเอาไว้ก่อนย่อมเป็นไปเพื่อความชีพหายแก่บุคคล น, นั้นถามว่าชีพหายอย่างไรโดยความเป็นประตูให้บาปธรรมมีอวิชชาเป็นต้นมีอภิชาเป็นต้ น, เ ป, น, ตนเป็นไปในอารมณ์มีรูปเป็นต้นนะที่ปิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพราะไม่มีอภิชาเป็นต้น ถ้าหากว่าไม่สังวรนี่เห็นแล้วโลภะต้องเกิดได้ยินแล้วโทสะก็เกิดเป็นต้นเนี่ยนะดมกลิ่นหรือนึกคิดแล้วจิตเปลี่ยนไปกับโลภะโทสะและโมหะเกิดขึ้นในความคิดในขณะนั้นๆเพราะฉะนั้นนี้ขณะนั้นนำความชีพหายให้แก่บุคคล น, นั้นเลยเกิดขึ้นแล้วอ่นนะโลภะย่อมยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดเนี่ยนะโลภะย่อมยังจิตให้กาเริบ ภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโลภย่อมไม่รู้สึกเนนะคนโลภย่อมไม่รู้อัดคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดความโลภครอบงำมืดหมดเลยขณะนั้นเมื่ออารมณ์หนึ่งอารมณ์เนี่ยนะสีเราเห็นเนี่ยนะโลภะเกิดขณะนั้นเนี่ยอย่านึกว่าเราสว่างนะความคิดเรามืดหมดแล้วในขณะนั้นนั้นเสียงที่ได้ยินหรือ ก, กลิ่นที่รับทราบเนี่ยนะรสที่รับทราบ โลภะที่รับทราบหรือว่าธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่รู้แจ้งเนี่ยถ้าหากว่าอารมณ์นั้นๆเนี่ยปรากฏขึ้นจิตของเรารับรู้จิตเหล่านั้นถ้าเป็นไปกับโลภะโทสะหรือโมหะความชีพหายได้เกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นนี่นะเพราะว่าอันตรายภายในอมิตภายในศัตรูภายในข่าศึกภายในได้เล่นงานแล้วขนานั้นนะเพราะฉะนั้น ผู้ที่เห็นภายในสังสารวัตรจริงๆเนี่ยท่านจะมองเห็นโทษแบบนั้นเลยว่าเป็นไปเพื่อความชีพหายแก่บุคคล น, นั้นในขณะนั้นๆขณะที่โลภะเกิดโทสะโมหะเกิดเป็นศีลสิกขาไหมไม่ใช่ศีลสิกขาเลยนะไม่เป็นเป็นอธิจิตตสิกขาไหมไม่เป็นอธิปัญญาสิกขาเป็นไหมไม่เป็นโลภะเหล่านั้นให้เป็นทำให้เกิดสุขติโลกสวรรค์เป็นได้ไหม เป็นเหตุแห่งสุคติโลกสวรรค์ไม่ใช่ซากอย่างเพราะฉะนั้นโทษภัยเหล่านั้นเนี่ยมีมากมายเหลือเกินในขณะที่จิตเราเป็นบาปอากุศลเนี่ยนะพระธรรมแปดหมพันพระธรรมอคตินเนี่ยมีอยู่ในจิตบ้างไหมในขณะนั้นอันตรธานทันทีจากพระธรรมแปดหมพันพระธรรมอคตินเนี่ยนะขณะที่จิตเป็นอกุศลเนี่ยนะพุทธคุณถึงจะมากขนาดไหนก็ตามอันตรธานจากพุทธคุณหมดในขณะนั้นสังฆคุณเนี่ยนะพระสาวกปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะ แต่งแต่สมัยโบ ร, โบราณรุ่นภาษารีบรเป็นต้นเรื่อยมาจนถึงยุคที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อจิตเราเป็นอกุศลมีไหมไม่เหลือเลยในขณะนั้นนั้นผู้ตะคุณธรรมคุณสังขคุณศีละคุณก็ไม่เกิดการเจริญอนุสติเจริญสมถะสมถะสี่สิบก็ไม่เกิดในขณะนั้นเลยวิปัสนาภูมิขันธาตุอายตนะไม่มีเหลือซากอย่าง เพราะฉะนั้นค่าศึกภายในศัตรูภายในปาปมิดภายในเหนนไอสิ่งที่เป็นบาปภายในได้ทำลายเราเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านใช้คำว่าชีพหายก็เลยตรงสับตรงๆเลยเหมือกัน <c oughs> เพราะถ้าไฟไหม้บ้านเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์มีไหมเมื่ออารมณ์ทั้งหเนี่ยนะะชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งกันะอันถ้าโลภโทสะโมหะเกิดนี่ก็มีโทษ ถ้าหากว่าผู้ใดไม่รักษาโลภะเป็นต้นก็เกิดถ้ารักษาโลภะเป็นต้นก็ไม่เกิดอโลภะอะโทสะอโมหะก็เกิดแทน